การทำกันด้ผู้เป็นผู้พูดท่านทั้งหลายเป็นผู้ฟังเป็นสิ่งที่น่าอนโมธนากับท่านทั้งหลายที่เป็นปัญญายชนได้ศึกษามามากเป็นผู้คงแก่เรียนมามากเวลานี้เรามาฝึกกรรมฐาน กรรมฐานคือฝึกตนสอนตนสอ น, น, นตนเองมีสติมีสัมปชัญญะดูแลกายดูแลใจของเราดูแลตัวให้คุ้มเมื่อเราดูเราเห็นกายหาเรื่องที่จะเห็นที่จะรู้มันอยู่มีที่ตั้งเอาไว้ ตั้งไปตามกายที่เป็นรูปแบบของกรรมฐานนั่นๆพอเรามีที่ตั้งมัจจะแสดงออกมาให้เราเห็นเรื่องความหลงเรื่องความรู้เรื่องทุกเรื่องสุขเรื่องอะไรต่างๆเกิดขึ้นมาเราก็เห็นเห็นแล้วก็เห็นแจ้งเห็น กายเห็นจิตของเราเรื่องต่างๆที่เกิดกับกายก็มีมากเกิดกับจิตใจก็มีมากเลยจะมาดักดูมันตรงนี้นั่นก็ว่าช่องแคบที่มันจะออกมาตรงนี้จุกทุกอกมาที่กายที่ใจเราดีใจเสียใจปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นตีการที่ใจเราเราก็ดูเอ า, เาก็เห็นเห็นครั้งหนึ่งสองครั้งก็าอาจจะยังไม่ได้บทเรียนได้บทสอนเท่าไหร่อาจจะเฉยอยู่ เ, เห็นความหลงตั้งใจจะลู้มันหลงไปทางตาทางหู มันไม่รูดที่เราตังไว้มันหลุดออกไปก็กลับมาตัวหลงเป็นตัวหนึ่งตัวรูดเป็นตัวหนึ่งเราก็ดูตรงนี้กันเห็นตัวหลงบ่อยๆหลงเท่าไรรูดเท่านั้นให้มันเท่าออ ก, กันหลงครั้งหนึ่งก็รูดทันครั้งหนึ่งหลงสองครั้งก็รูดทันสองครั้งลอยข้างฝันหนก็รูดทันมันลอยข้างฝั น, นหนยามันเอาไปพีพ กลับมาให้ได้กลับมาลูให้ได้ถ้ามันหลงแล้วไม่กลับมาลูมันไม่ได้ปฏิบัติเป็นแต่เพียงรูปแบบถ้ามันหลงเรากลับมาลูกําหนดกายเคลื่อนไหวอาศัยอิริบต์เคลื่อนไหวนี้เป็นการกระตุ้นให้มันเกิดความลูขึ้นมาแล้วมันก็ลูได้มันก็ไม่ดื้อด้านเท่าไรหลังความหลง มาจะลงมานานเกินไปสี่สิบปีห้าสิบปีหกสิบปีเจ็ดสิบปีเราเคยใช้กายใช้ใจของเราให้เป็นเรื่องของความหลงมากแล้วพอเรามาใช่เกิดความรู้เนี่ยก็สวนทางกันได้หน่อยแต่มันทำได้ให้เพียรสักหน่อยเพียรฝึกตนเพียรสอนตนให้รู้สึกตัวต่อเนื่อง ตามสิ่งที่เราตั้งใจไว้มีความเพียรพยายามประกอบกล้ารู้เวลามันหลงอย่าไปปล่อยไปมันก็มีอาสาทะในะความหลงเพลินกับความหลงคิดเพลินกับตาเห็นรูปเพลินกับหูได้ยินเสียงเพลินกับจิตใจที่มันผงแตงขึ้นมาเป็นสุขเป็นทุกข์ แล้วไม่เพิดเพินไปแล้วก็มีความเพียนกล้าที่จะลู่แวกลงไปในขณนะที่นั้นที่มันหลงอะแวกลงไปเหมือนกับใส่ยยกใสา ย, ยาเป็นโอสถอันหนึ่งเหมือนกัรเจ็บทอ้องหรือเป็นบัดชันหลวงพ่อเนี่ยเวลาเป็นบัดเจ็บคออาจารย์ตุ้มเกาก็ลจโจรให้ทาไบ ม, มัน เอาเกลือหน่อยหนึ่งมะห่อใบฟ้าทลายโจรอมไว้ใจลิน้นนอนฟ้าทลายโจรกับเจ็บคอมันมันมันแย่กันได้ยาก็ทําหน้าที่ของยาอันการเจ็บคอก็ก็สู้ยาไม่ได้การเจ็บคอก็หายนอนถึงเช้ามาการเจ็บคอก็หาย หรือเราปวดท้องเป็นโรคอะไรต่างๆหรือเช่นหลวงพ่อเป็นโรค ก, ก้อนเนื้อตัวเร็วลำคอหมอให้ยาจีมโมขีดเข้าไปสกัดก้อนเนื้อมันหายใจไม่ได้หลอดที่หนึ่งหลอดที่สองเจ็ดหลอดก้อนเนื้อลำคอก็กหายไปเลยตันเป็นยาอันี้ของขู่กัน แต่โรคบางอย่างรักษาได้โรคบางอย่างรักษาไม่ได้แต่ว่ากายใจเรานี่รักษาได้สิ่งรักษาไม่ได้ก็มีเช่นอความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนความเป็นทุกข์เนี่ยอรูปกายของเรานี่มันก็เป็นรูปทุกข์ไม่หายใจไม่ได้ไม่ยืนไม่เดินไม่นั่งไม่นอนไม่ได้ ไม่พิบตาไม่เคลื่อนน้ำลายไม่ได้ไม่ยินไม่ถ่ายไม่ได้ไม่แต้มเท่าไปไม่ใช่เรื่องแก้ไขมีปัญญา่การที่เรามาศึกษาเรื่องตัวเราก็ค่อยๆเฉลาดขึ้นไปปัญหาเรื่องกายเรืงใจบางอย่างกดดําหนดรูดโดยการรู้บางอย่างกดดําหนดรูดโดยการมันเท่าบางอย่างกดดําหนดรูดโดยการละ เร็นความโกรธนี่ละเลยอย่าไปรอมันความทุกข์กัละมันไปเลยอย่าไปรอให้มันทุกข์เอามันออกไวๆมันจะไม่มีรอยแผลรอยช้ำความโกรธความทุกข์เนี่ยมันก็มีแผลเป็นเหมือนกันมีรอยติดกายจิตใจเราสิปียี่สิปีเอาไว้คิดเอามาโกรธอยู่ก็มีเหมือนกันไม่มีรอยเหมือนกับตำห น, นิเวลาเราไป อาทำดิแผลเป็นที่มันมีรอยแผลก็มีแผลในใจเราเนี่ยมีมากในความรักความชังความโกรธโลภหลงดีใจเสียใจได้เสียอะไรต่างๆวันนี้วันนี้เรามาซ่อมมาเยียวยาให้มันเรียบให้มันหายเรียบเลยเอาให้มันหมดไปจริงๆนะรักษาหมดไปจริงๆนะ ความทุก็ดีความโกรธความโลภความหลงก็ดีมันหมดไปจริงๆมีแต่สติเข้าไปถ้าความโลภความโกรธความหลงหมดไปมันก็มีความเมตตากุณาขึ้นมาแทนทันทีจากความโกรธก็เป็นความคุณาเมตตาสงสารจากความหลงก็เป็นความไม่อาไปไม่ถือสาเรื่องกันมันเกิดขึ้นมาแทนที่มันแทนกันได้ บุญกับบาปสุขทุกข์มืดสว่างคเคเจ็เจ็บตายันแทนกันเป็นคู่กันอยู่เวลามันหลงแล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาความหลงก็หมดไปเมื่อต้องไปไล่มันไม่ต้องไปทําไมทําไม่ไมยงหลงเป็นลูบคํามันไม่ใช่หรอกให้กลับมารู้กลับ่ารู้ที่มือมันเคลื่อนไหวมันรู้อยู่อันนี้เรียกว่ากรรมาฐานนะ ไม่มีใครสอนเราดอกแม้แต่เราสอนตัวเราเองปรเดินสอนไม่ได้พาะไม่เห็นความหลงของท่านไม่เห็นความรู้ของท่านท่านหลงเองท่านก็รู้เองก็งแยวเองเปลี่ยนท่าเองเปลี่ยนตัวหลงเป็นตัวรู้เองเวลาท่านทุกข์ท่าน ก, ก, ก็เปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์ตัวเองเวลาท่านโกรธท่านต้เปลี่ยนความโกรธเป็นความไม่โกรธตัวเองใครช่วยเราไม่ได้ไม่มียารักษา ลายรักษาความทุกข์ลายรักษาความโกรธไม่มีมีแต่สติที่กําหนดรู้เข้าไปกับมหาตัวลูกใหญ่กับมหาตัวลูกใหญ่ตัวลูกเขาทำหน้าที่เหมือนแสงสว่างกับจัดความมืดก็มีตัวลูกเหมือนกับพ่อพกับแม่คอยดูแลเราร่างกายเหมือนกับลู ก, ลก พอแว่เหมือนกับสติคอยดูแลลูกคือกายคือใจดูแลให้คุ้มอย่าปล่อยปละละเลยให้เป็นสุขพื้นทุกมันดูแลตัวเองให้มันคุ้มอย่าปล่อยไปถ้าเ ป, ป็นตะปะไปจิตใจมันคิดไปได้ทุกหญิงทุกอย่า ง, างว่าไม่ได้ไม่ควรคิดไม่ควรรักคิดไม่ควรปร่งแต่งอะไรที่มันหลงไปสังขาร บ่งแต่งไปหลงไปกับความคิดมากมายแต่มันแก้ได้งแก้ดได้ความหลงเคยเกิดจากความคิดความทุกข์ที่เกิดจากกิตความอะไรต่างๆที่ปัญหาเกิดจากจิตใจนี่มันแก้ได้ทุกอย่างแต่เรื่องของกายเนี่ยแก้ไมได้ก็มีอ่ามันตกอยู่ในสามัญชนละ ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนน่ไม่จะโชว์ให้เราเห็นประกาศศักขิ์ของเขานี่คือความไม่เที่ยงนะนี่คือความเป็นทุกข์นี่คือความไม่ใช่ตัวตนอย่างไปยึดเอาตัวนี้นะคล้ายๆเขาบอกเราพอเราเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนนีะเป็นสามมรระเป็นไตรลักษณ์เนี่ยมันก็เกิดวิปัสสนาญาณขึ้นมา มันเคยอยู่กับนามรูปเคยอยู่กับรูปนามควาไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนนีเราเคยเป็นทุกข์เพราะความไม่เที่ยงเราเคยเป็นทุกข์เพราะความเป็นทุกข์เราเคยเป็นทุกข์เพราะความไม่ใช่ตัวตนบัดนี้เอามาเป็นปัญญาเลยบปัญญาที่เกิดจากความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนเรียกว่าวิปัสนาญาณมิญาณเกิดขึ้นแล้วพ้นแล้ว ยานในขนส่งออกไปแล้วญานเนี่ยยอบยอยักษ์ลานอหนูขนส่งวิญญาณอย่างลู่มีพรฒอมกันกับยานหลังลู่ได้เนี่ยการทํากรรมฐานมันจะลูกแจ้งไปอย่างนี้ได้คําตอบว่ามันคืออะไรชีวิตเราเนี่ยกายใจมันคืออะไรอะไรที่สั่งมันเคลื่อนไหวเนี่ยเนี่ยมันเป็นลูกเป็นนาม เคลื่อนไหวไปเคลื่อนไหวมามันก็รู้มันเป็นรูปประทับมันเป็นนามธรรมเวลามันมีสติมันทําดีไหมมันก็ทําดีเนี่ยไม่ไปลักไปขโมยใครเวลามีสติมันก็รักความชั่ออยู่ในตัวมันเนี่ยเวลามีสติจิตใจมันก็บริสุทธิ์มันไม่พุ่งซ้านไปไหนอ้าวเรามีสติเนี่ยมันมากันเป็นทีมเลยความดีทั้งหลายศีลก็เกิดขึ้นสมาธิก็ขึ้นอยู่ในแดนของ อสัจธรรมเมื่อเรามีสิเหมือนเรามีตาเข้าไปดูอะไะเห็นกับตาเราตาคือสติคือปัญญาเราเนี่ยมันเห็นอย่าให้ตัวเองหลอกตัวเองไม่มีใครหลอกเราได้เท่ากับตัวเราคนอื่นหลอกไม่น่ากลัวผีหลอกก็ไม่น่ากลัวแต่เรานี่หลอกตัวน่ากลัวกว่าเช่เรากลัวผีเนี่ยอะไรมันหลอกเราก่อนเราคิดขึ้นมาเอง เราคิดขึ้นมาแล้วก็กลัวความคิดตัวเองตัวเองหลอกตัวเองให้เกิดความกลัวความข้าความโกรธโลภหลงหลอกได้ชะรพัจนจะังเพรเราจึงดูต้นสายไปเหตุมันมีสติเข้าไปดูถ้ามันเห็นว่าจะโชว์อยู่หลายข้างหลายข่าวเรื่องกายเนี่ยข้างหนึ่งเราไม่พอสองข้างไม่พอมันโชว์มากตลอดเราก็ยิ่งฉลาดไปตอนนั้น เหมือนกับคนมาหลอกเราคนที่เคยมาหลอกเราหลอกข้างหนึ่งก็เสียเปียกเขาไปแล้วเสียเงินเสียทองือนหลังพ่อถูกเขาหลอกไว้หนึ่งทำหินโค้งที่วัดโพกาทองแล้วจะให้เสรดว้วยไหวแล้วก็จะไปสอนธรรมที่หาดใจไปายในไม่กี่วันให้เสร็จแล้วก็ต้องใช้ เห็นก้อนร้อยร้อยก้อนเหมืนกัราเห็นคงเนี่ยนะแล้วก็ใช่ดินมาถมโลกลังมาถมพื้นที่แล้วก็ใช่แรงคนอันแรงคนเราผูหาได้แต่ว่าก้อนหินเนี่ยต้องอาศัยเครื่องต้นแรงอาศัยรถแล้วก็ดินลูกลังต้องอาศัยรถ เรากำลังคิดอยากได้หินอยากได้ลูกหลังตอนนั้นกำลังจะได้นะน้อง oh. oh. พอดีพอดีจังหวะนั้นเขา่างตัวชุดนายช่างแข็งใส่หมวกต่างชุดนยช่างแข็งการทางใจผมพอดีกับหลวงพอ่อหิวกิเลสกิเลสมันมี้ <laughs> อยากได้หินกิเลสแปลงก็เติมตัวลนาะ เขาว่าเขาจะทำทางขึ้นเขาเขาให้ผมมาสำรวจความเป็นไปได้ของชาวบ้านชมปปชนรู้ปัญหาของชนปัญหาของจบชนต้องการอะไรเขาเจะเอาเครื่องยนต์ลงสนามแล้วแต่ว่าเขาเป็นคนที่มาดูพื้นที่ก่อนดูชมชนก่อนผมพอจะให้ทำอะไรบ้างแต่ก่อนก็มีความริตนะ งานราชการต่างๆก็ต้องมาเข้ากับชาวบ้านให้หด้มาใจเรามีทางป่าเหมือนกันนอกพอเป็นเนาะทำไมร้อยยี่สิบสิบเก้ายี่สิบเนี่ยโอ้อยากได้หินก้อนเท่า น, นี้เท่า น, นี้จะมาทำให้เห็นค้องวางอยากได้หินลกหลังสักสิบรถโอ้ยไม่ยากเลยผมเมิรถ ว่าเจะเมื่อไรล่ะเอาวันนี้แหละดีถ้าวันนี้เนี่ยไม่ไม่ได้แล้วรถไม่อยู่เราต้องติดต่อสองวันสามวันเพราะถ้าอาวันนี้ก็ต้องเอารถพิเศษเอารถพิเศษต้องเสียค่าน้ํามันนะหลวงพ่อน้ํามัน่ะเทราว่ามันไม่ใช่งานเขาถ้างานเบิกน้ํามันได้ถ้าอย่างนี้เอมันพิเศษถ้าหลวงพ่อด่วนต้องเบิกค่าน้ํามันจะใช้ค่าน้ํามันประมาณเท่าไหร่ วันพันเจ็ดอยบาทเฮ้ยพันเจ็ดรยบาทมัวนยา ก, ก <c oughs> อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามดูก่อนขอตังท่ามีวิท ย, ยทุสามมีรถบ้างไหมออมีว้างสองคันออแล้วดินน่ะที่ไหนดินเขาขุดอยู่ตรวเนี่ยสามารถที่จะเอามาให้สักสิบคันรถได้ไหมเอามาได้ต่ต้องนอก นอกงานต้องเสียค่าหน่วยเขาจะเอาค่าปมาณพันเจ็ดบาทแล้เอามาเดียวนี้นะเราเขาก็อยากได้เอาาจะลงนับกันในเขา 1,700 บาทพอานัาเบื่ในเขาเขาขี่รถใส่เป็นไโอ๊ยถูกหลอกแล้วองบานในบ้านพอเอาของรู้จักกันทีว่าถูกหลอกก็เรา วันหนึ่งก็ไม่มาสองวันก็ ม, มาก็รู้แล้วดีใจเวลาตุโลกดีใจมากเลยเป็นบุญเดียนที่ดีเลยเมันหลอก ไ, ได้อีกแล้ววะเจ้อ่าเรื่องนี้นะอเพราะนั้นตัวเราเนี่ยมันหลอกเราเนี่ยทำไมเราจะไม่รู้มันอ่ะมันโกรธมันหลอกเราให้โกรธเราอยู่ดีๆเนี่ยมันหลอกเราได้แหะผัวเมียกันเนี่ยหลอกให้โกรธกันด่ากันอนะไรหาเรื่องหาเรา ยำคิดเรื่องเก่าเอามาคิดเอามาจำมาปูงมาแต่งสังขารพงแต่งจนโกรกกันจนด่ากันพอหายโกรแล้วก็โอ้ยอายกันไม่กล้าเปิดประตูบ้านนอนอยู่ในบ้าน mm hmm. นะฮะทะเลากันด่ากันเถียงกันโอ้ยเสียเปียบของโกรดหลงพ่อไงเสียเปียบของโกรดตีน้องไ้สมัยเป็นตุ่มน้องไม่ควายไปยินญ้าไถนด่ากดคํามึงทําไมแม่เควายพปยินญา คอยย่านัวาย่านแม่มียยวเดวตก็นตกกะชอันสุดที่สาลง่อนางอน้องก็บองไห้จับแขนดองเขีนว่ากันแทคิดสงสารมาเดีอโอ้ยองกูกับผู้น้อยนามันก็สิยาดีดอกกตีน้ำก็ย้ากันไปบอกไปองพี่ยาวโอนหัวหน้านน่ะมันก็คาแล้วคอยย่านสัย่านแม่มียงย ส, สัตสจับแขนดองเขียนว่าโอ นอนูยาเกิดควบสงสารทันทีเลยป่นนะโอ้ยเสียใจมากใช่ไหมเคยไหมเคยตีลูกไหมล อ, อยมือรอยไปเดียวพอหายโกรธหลดสงสารลูกเอามือไปอลูกกับแม่หลงตินลงมือเอายาหม่องไปทานน่าทาล่วงเทียบความโกรธตั้งแต่วันนี้ต่อไปมึงลนความโกรธน่ะ มันไม่มุดไม่รีมาดอกมันง่าให้เราเห็นนี่อ๋อมีสติรู้ทันทีเลยหงจิ้มเห็นความทุกข์เห็นความโกรธเห็นความหลงที่เกิดจากจิตจากใจจากตาจากหูของเราน่ยมันไม่มันไม่ฉลาดเลยหลักความโกรธโง่ความหลงโง่โงหมืนอยู่เจ้าชุกชนเนี่ยตะกาตะการเวลามาจับเราโง่เราเอามือไปไปลาากันเราเอามือไปหยบ บีบดังดิงั้นออกไป่ได้ขามันปากมันแนละ้วข้อเขี้ยค่อยจับมันไม่ฉลาด ต, ลตาเราได้ฉลาดกว่าตัวลูกศิษตัวอึงโอ้ยเป็นหนอโพธิเป็นพุทธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเห็นตามความเป็นจริงความหลงมันไม่จริงนะความไม่หลงเนี่ยจริงกว่าความโกรธมันไม่จริงความไม่โกรธจริงกว่าความทุกข์มันก็ไม่จริง ความไม่ทุกข์นี่จริงกว่าสัมผัสดูแล้วถามใครไหมไม่ต้องถามใครแก้เอาเองเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้ก็เปลี่ยนเลยเปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์ก็เปลี่ยนเองเปลี่ยนความโกรธเป็นความไม่โกรธก็เปลี่ยนเลยสนุกดูแลตัวเองสนุกรักษาะตัวเองสนุกจริงจริงปฏิบัติทำนะเห็นอะไรที่มันชนะตัวเองได้บ้างก็ยกมือไหว้ตัวเอง เพราะมันทําได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้จริงๆนะการปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นนุ้ยต้องมีพิธีอะไรมากมายพามาสร้างสติน่ะให้รู้จักตัวให้รู้จักตัวนะท่านจะจบอะไรมาก็ไม่เกี่ยวท่านจะไม่รู้อะไรก็ไม่เกี่ยวจะเป็นชาติใดวันณนะใดลที่ใดเพศใดวัยใ ด, ใดไม่เกี่ยวเลยคือความรู้สึกตัววางรู้สึกตัวเป็นหนึ่งเดียวนักบวชรู้สึกตัวคารวะข้อรู้สึกตัวอันเดียวกัน นักบวชหลงฆราวาหลงกันเดียวกันนักบวชโกรธฆราวาโกรธกันเดียวกันมันไม่ออกหนอ่อกออกแนวเหมือนเกิดเพี้ยโรคไปใครเจอมันมีเดียวท่านกุศชนคือความหลงความโกรธความโลคกูศชนคือความไม่หลงความไม่โกรธความไม่โลคมีสามอย่างเนี่ยแล้วก็มีสติเข้าไปดูเข้าไปดูจะมันไม่รีหดมัน โชว์ที่สุดเลยถ้าเราสร้างตัวลูกมันก็เห็นตัวหลงตนวข้ามมีตัวลูกกับตัวหลงมาไปคู่กันนั่นเองเราจะได้เห็นเร า, าเห็นเราเห็นเราเห็นเราเห็นเราเห็นเราสร้างความลูกหาได้จากความหลงสร้างความลูกหาได้จากความทุกข์สร้างความลูกหาได้จากความสุขสร้างความลูกหาได้จากความโกรธเปลี่ยนมาหมดเลยเปลี่ยนมาเป็นตัวลูกศึกตัวทั้งหมดเลย ลองดูทดลองดูให้โอกาสตัวเองสักเจ็ดวันห้าวันสิบวันช่วยตัวเองให้โอากาสปาอยู่กับตัวเองมาเฝ้าดูตัวเองรักษาตัวเองเนี่ยอันดื่นเราให้มามากแนละ้วบางคนอายุเจ็ดสิบแปดสิบปีเลียงลูกเรี่ยงหลานจนน่ากลัวนะแกเจร่แล้วมาได้ฝึกตอนเดิน หลวงพ่อเห็นคนเท่าอยู่หลงบะแดงแนวเขาล่านโซ่ไว้ใช้ไม่ผูกโซ่ไว้แม่เนี่ยถ้าไปก็ไปไปค้าอะไรเห็นก็เอามากินเลยเอามาเคี่ยวเลยว่าแต่มือมันอยู่มันเปลี่ยนไปได้อะไรมาติดมือเอามาเคี่ยวเลยไปผูกไปลองไปบ้านไปเอาก้อนหินเอาขี้หมูขี้หมามาชิ้นเต็มปากเลยลูกต้องไปเช็ดต้องเอาจังเอาโซ่ลามบ้ามไว้โอ้โถคนเรา่ะ ถ้าเท่าถ้าแก่เข้ามาแล้วไม่ฝึกตัวเองมันจะหลงมากนะคนเราไม่เหมือนสัตว์นะสัตว์บางทียังรู้นะมันแย่เวลาเราไปเลี้ยงวัวเลี้ยงแพะไงเราเพี่ยมเลยมันล่องไวท่าสั้นมันบ่ร่องดอกตีเท่าไหร่มันก็มาลงเพราะมันแก่แล้วมันจะลงมาได้มันจะขึ้นมาได้แสดงว่ามันรู้แสดงว่าเราต้องให้มันไปลงที่อื่นมันรู้ของมันอันเราเนี่ย ทุกเท่าได้ก่อโกรธเท่าได้ก่อใครดูได้โกรธเราบังเดอตายกูบอเลื่อนได้บอเลื่อนอย่างนั้นกูอ้โหเป็น่ไม่ร่างว่าถท่แล้วอย่าโกรธทอมันบ้าได้บอกพขาหรอกแห้งแห้งมันดีโกรธเดี๋ยวหาเรื่องที่มาถุกกันได้เพราะเราลงทุนมามากเด้งลูกแดงเต่าลงทุนมาเยอะลูกผิดนิดหน่อยเอามาชิดลงโทษตัวองคิดแบบกัดตอดตัวเองให้เจ็บปวดนี่ไหม เรานอนหาเรื่องไม่คิดนะคิดขึ้นมาแล้วตาไหลทุกประกอบคิดตัวเองเนะแตาไม่แค่นี้ยมันมีขี่ช่างขี่มามาหรือความคิดนะมันไม่ขี่ช่างขี่มามาไม่ไม่จัดตาบุดอะไรมันเกิดกับใจเป็นอารมณ์น้อยๆตอนไหนเราก็รู้จึกตัวซาเราก็รู้จึกตัวตอนไหนเอาตรงนี้ไปก่อนเราตรงนี้ไปก่อนถ้าเอาตรงนี้ได้แล้วก็ค่อยๆดีไปดีไปดีไปพัฒนาไป เป็นศีนเป็นสมาธิเป็นปัญญาไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนล่ยเป็นดีเปลี่ยนเป็นล่ยเป็นดีไปเรื่อยเรื่อยไปไม่ต้องอยู่ที่นี้มันอยู่กับเราอยู่บ้านก็เปลี่ยนได้มันโกรธอยู่บ้าน ม, ามันหลงมึงตกอยู่บ้านที่ทํางานอยู่บนรถแมล์ทำได้พวงรู้กึกตัวหน่ยให้รู้สึกตัวเวลาตาประนอนก็รู้สึกตัวอย่าหาเรื่องมาคิดในเวลานอน พีกมือพีกคื้อมืออยู่อยู่ตรงนี้เวลานอนนะถ้ามันหลับไปกับควารู้จิตตัวหลับจะบายไม่ไม่สิ้นเปืองพลังงานทหารเรื่องวายิดในเวลานอนในฝันเะไรแบบว่างคืนว่าฝันกลางวันวายเช็ดอนอนเท่าไหร่ก็ไม่เห็นอกตื่นขึ้นมาก็งัวเงียเน็ดเหนืยเมื่อยละเพราะงัวใจฝันอยู่ฝันก็คือเช็ดนั่นแหละ กลางคืนก็ว่าฝันกลางวันว่คิดกันน่ยมันติดไปฝันไรเนีย่ยมันติดเรื่องอะไรก็คิดเรื่องนั้นหลวงพอเนี่ยเป็นนระมากระวเลยสมัยเป็นหนุ่มเป็นพ่อนาตั้งแต่หนุ่มน้อยอายุสิปีไถนาเนี่ยไถนาทำนากันกันกบแม่สุดพี่เสาเนี่ยแร่งเพื่อใจมันเสร็จไถนางานบังใหญ่พอไถนามันไม่เสร็จ มันเข้มก่อนกลัวว่าควายจะไม่กินยาก็ปดควายเมื่อคิดไปนอนอยู่บ้านคิดว่าตัวงไถนาไม่เสร็จบอกแม่แม่ปูกผมแต่ดึกตัวนะจะไปไถนาผมไถนาไม่เสร็จเลยพอคิดไปเรื่มไถนาไม่เสร็จไถนาไปฝันว่าได้ไถนาเมื่อยเออหมดเลอมันฝันมันคิดว่าไถนาพอเสร็จคิดว่าไถนาไม่เสร็จคิดว่าไถนาไม่เสร็จ มันก็ฝันไปเลยฝันว่าไฉนาโอ้ยเมือเบาสบายจักหน่อยว้นอนแล้วเพราะอะไรเพราะกลางคืนมันฝันกลางวันมาคิดเอาไปติดเวลานอนเลยิแต่เรื่องนั้นเรื่นั้นมันก็ติดเป็นวิญญาณไปเลยติดไปเลยเป็นขันธ์หน้าอุปทานไปเลยนะอะไรก็ดีแล้วมหัดวางหรือเชเวลานอนอย่าหาเรื่องมาเย็ดลูกจิกตัวเฉยๆให้ว่าไงใ้วาง ไห่หัดว่างหัดว่างหัดอยู่ไม่มีอะไรไม่เป็นไรจ้าถ้าจะนอนก็อยู่ในท่าตายจ้าตายแล้วบาดทีไม่มีอะไรแล้วว <c oughs> อา้าวหลวงพ่อเคยตายนะใช่ได้จริงๆอ่ะตัวเนียลมก้อนเนื้อมันตัดคอหายใจไม่ออกเขาบอกก็บอกคนทุกคนแล้ว คงไม่พ่นอีกไม่กี่ชั่วโมงหรอกผมหายใจไม่ได้แล้วพอดีหมอช่วยจุกเฉือนเอาห้องไอซียูพอไปอยู่ในห้องไอซียูเนี่เขาว่าโชว์ว่าอามพอหายใจไม่ได้ผมเจ้าอท่อเข้าไปในจมูกให้หลวงพ่อสวดลมดูน้าหลวงพ่อสวดลมไม่ได้ผมเจ้าถุงลมมาเจ็บครอบหน้าให้หลวงพ่อสวดลมนะพอเขามาช่วยอีกอันหนึ่งถ้ามันหายใจไม่ได้ผมเจ้าท่อในสอดเข้าไปในปาก เพราะเขาโชท่อคงคงเหมือนเนี่ยใช่ไหมไพวันอ่คงคงเขามาโชวยอันนะั้นกะึ๊กไปเลยเอาหายใจสองรอบหายใจไม่ได้เอาทิ้งไปเลยละม เ, เอาโอ้ทิ้งซะไม่ต้องหายหัวประจัยเลยเราวยืนตรงไหนอยู่ตรงนี้ไม่เป็นอะไรเพราะเราฝึกมาเนี่ยเราอยู่ตรงเหนือทุกอย่างเลยเราไม่ต้องเป็นไรหายใจไม่ได้ก็ต้องหายหัวนะอยู่เฉยๆนอนเฉยๆ สี่วันนะ่ะสีวันนะ่ะหมอพยาบนานะลหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่ออย่าไปกั้นหนักกั้นเรานะหลวงพ่อไม่ขับไม่หนักไม่หมอมาสี่วันแล้ว4ีวันเลยสีวันลวเลยเด้อเราเป็นไรเรามาดูมาดูปากตัวเองอมท่อเหมือนกับปาทีบบอ า, านะอาบ์อาวะจ่ายยางจานจมูกนี่พอลงพลังน้าเกลือตาเขียนแน่นนอนเด้อ สมนานามึงก็รูป่านนี้ป่านนี้ปานนี้ ว, วอาคงม่รอดเองสบายดีพ่อแม่อาชาส่งลูกสาวลูกชายไปเดีแพ่เรียนหมอเขาโอชิติปัญญายมาช่วยเราเราจะจวนทุกข์อะไรถ้าจะตายก็สบายที่สุดเลยอ่าสบายไม่กลัวขาว่าคนป่วยเป็นทุกข์เราไม่เห็นเป็นทุกข์ตรงไหน ไม่เป็นทุกข์เลยการป่วยการตายก็ไม่เป็นทุกข์เลยไม่มีอะไรกลัวไม่มีอะไรคิดอะไรว่างวา ง, วางหัดวางเดี๋ยวนี้หัดหยุดเดี๋ยวนี้สอนตัวเองเดี๋ยวนี้อย่าไปมัวแต่ยึดนั้นยึดอันนี้นนนมา ก, กหลายอย่างพระลุ่มพลังไปหมดเลยมัวแต่พิธีนี้ต้องเนี่ยตอนมะม่วงเนี่ยเวลามะม่วงออกลูกมดแดงลุง่ม โกจับมะม่วงแต่ไม่ได้กินรถมะม่วงไม่ได้กินเลยมีเจ้าของไปกินแล้วพ่อเขียนก่อนว่าต้นมะม่วงพวงผมไม่พ่นพุ่มมุดแรงลุงมฟมฝ่ายกระจายเฝาไม่ได้ชิมรสไม่ได้ชิมรสอดวันเหล่าเสียแรงเฝ้อคมพีไม่มีเพียรไม่มีแขวนไม่มีความรู้จักตัวไม่มีตรงเนตรเลยเรล่านานเท่าไหร่จีกับจิจบาลรู้จักตัว ปอให้ความหลงขอถามทุกคนเถอว่าเวลานี้อายุเราปนเนี่ะชีวิตเราอยู่กับความหลงหรือว่าอยู่กับความรู้มากกลัวกันมีความไม่ทำใจตัวเองไหมถ้าเราอยู่กับความหลงอ่ะมันก็จะมีอะไรที่เกิดขึ้นมากมายใจเราก็พึ่งไม่ได้ไม่มีใครพึ่งใจจนได้เอาใจไปรองรับอะไรทุกเสียงอย่างความกดคือใจความรักคือใจความชังคือใ จ, ออใจมีโศกคือใจมีทุกข์คือใจอาใจเราใช้ใจผิดประเภทไป เหมือนเราใช้มีดเอามาหารผักก็ไปฟันดินฟันหญ้าฟันเหล็กอะไรกายมีดไม่มีเลยใช่ไม่ไรเลยใจของเราเนีไยแต่ก่อนบริสุทธิ์ขอสอดนี่มาเปิดไปเปลี่ยนอะไรจนมองไม่เห็นแล้วเราจึงมาขัดงานละมาช้นละให้รู้มาซ่อมจ้ะถ้าจะเป็นรอยก็ถ้าเป็นรถจะขันหนึ่งนะพวกเรานะถูกชนมากๆแล้วเคยถูกชนไหม รอยบุบลอยบุ้มลอยลึกลอยแค้นลอยเียใจที่ใหญ่มีนะ้ไหมมีรอยกันหลวงพ่อก็มีไม่มีใครทุกข์เท่ากับหลวงพ่อในโลกนี้นะเป็นคนขี้ทุกข์ขี้ยากจุดๆเออครอบคุนยุงน่งยากในะความทุกขนะ์แต่มาซ่อมมาเข้าอู่ซ่อมให้เข้าอู่ให้มันเจ้าฟิตออกไปใหมให้มันเป็นผมไม่จันทร์โมลี่สุดบริบรูรณ์เช่นเจรีที่เราเนะี่ย ที่สุดแห่งชีวิตคือพรหมจรรย์พรหมจรรย์คือหมดจดจากเครื่องสมองหลุดพ้นจากปัญหาต่างๆมีแต่สติจิตใจรุ่นรุ่นไปไปเป็นพ่อไปเป็นแ ม, แม่อยู่กับลกูกไปเป็นลกูกเป็นเต้าเป็นสามีพัญญาเป็นพี่น้องกันให้มีเมตตากรุณาต่อกันต่อกานต่อกั น, ก น, กนพูดสิด่งใดประกอบด้วยเมตตาคิดสิด่งใดประกอบด้วยเมตตาทําสิ่งใดประกอบด้วยเมตตาให้บ้นานเต็มม้านเต็มเมือง อยู่ในใจเราอยู่ในชีวิตเราอย่าไปไวิ่งตื่นไม่ต้องไปไว้ในรัฐธรรมนูญก็ได้ศาตราพูดเอาไว้ในใจเราเนี่ยไหนขวัใจเราเนี่ยถ้าอยู่นี่เราเรมืนจะเป็นเลยมันจะเป็นอะไรถ้าก็บัญญัติใดก็ดีน ะ, ะถ้าเกิดไม่บัญญัติใดก็ดีถ้าไม่บัญญัติกับบัญญัติลงไส้กายที่ใจเราเนี่ยไม่ทําชั่วไม่พูดชั่วไม่คิดชั่วมีศีลมีธรรมรักคนชั่วทาคนดีได้ยินมั้ยหลวพ่อพูดนะ ดีนวันแข็งวันตายคืนอเอาสมควรเจอละเอา